ต้องกำเ น, นิรู้ลมต่อไปโดยเพิ่มคุณภาพกำหนิรู้คุณภาพกำเ น, นิรู้หมายความว่าต้องกำหนิรู้ลมเข้าลมออกติดต่อต่อเนื่องนานๆการเจริญสมาดิอยู่ที่คุณภาพกำหนิรู้ที่เป็นติดต่อต่อเนื่องถ้าไม่เป็นติดต่อต่อเนื่องสมาดิจะไม่ดีเท่าที่ควร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 ต้องเปลี่ยนทุกๆสิบพาที่สมาธิเขาหายหมดเลยนั่งได้แค่สิบพานาทีต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆแล้วมันก็ไปอยู่ที่พองยุบอีกแล้วเพราะวะ่าพูทถามก็เป็นบุคคลที่ได้ปฏิบัติพองยุบมาอาจย์นานแล้วไ ด, ได้มาปฏิบัติในข้อนี้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 ที่ พ, ออพ่อที่พ่ออกพ่อมาค่ะเอะที่พ่อมาค่ะแต่ที่พ่อมาไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถามโยไหนที่อังทองมีไหมถามที่อ่างทองก็ไม่ได้กําหนดเป็นว่าค่าใช้จ่ายประจําวันต้องเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ ว, ว่าท่านมีปัจจัยที่จะร่วมทําบุญเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันค่ะแต่ถ้าท่านบวชเป็นเซยเลงเงี้ยนะคะ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 ถ้าเพเมิตดาตัวเองแล้วก็เพเมตดาให้เกิดบุคคลที่ตัวเองเคารพนับถือหรือสับบีสัตถาสัตว์ทั้งหลายก็ได้เหมือนกันเพเมิตดาด้วยสติและปัญญาถ้าเพเมิตดาด้วยสติในเวลาสั้นๆทำให้จิตสงบถ้าจิตสงบดีลมจะเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นการเตรียมดัวที่ดีมาก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 เป็นภาษาบาลีสำเนียงเมียนมาใช่หรือไม่บุตสวดพุทธวนธนานะเป็นสำเนียงพ ม, มามีคำแปล่ยูเอามาไหมไม่ได้เอามาเจ้าค่ะไม่ได้เอามาลืมไป<แ>ไมีหนังมีอยู่ใน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 ถ้าสามารถปฏิบัติได้อย่างสาเร็จใช้เป็นอารมณ์วิปัสสนาตไปได้สมมติว่าถ้าเราปฏิบัติอนาบานาสติเข้าถึงชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สีอันนี้เป็นสมถะิแล้วเมื่อว่าอาตมาอธิบายให้โยมทั้งหลายฟังวิธีจิตจำได้ไหม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 แล้ก็ดูที่ผวังเห็นวิถีจิตในแต่ละวิถีจิตมีจิตดวงดวงจิตหลายๆดวงเกี่ยวข้องกับฉันดวงจิตที่เกิดขึ้นนั้นอย่างมากมายนับไม่ท้วงเกดับเกดับเกดบในแต่ละจิตใแต่ละดวงจิตในชันที่หนึ่ง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 แล้วก็พิจารณาให้เห็นความเกิดดาบของนามนดวงจิตแต่ละดวงจิตแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์อันนี้ก็เป็นวิปัสสนาในธรรมนองเดี่อการท้าบดิบักกระสิงเขาสามารถเข้าถึงชั้นที่สีได้แล้วเข้าชั้นที่หนึ่งออกจากชั้นแล้วก็พิจารณาความเกิดแล้วก็ หพิจารณาให้เห็นความเกิดดับของนามนามธรรมจิตและจิตจิตสิกในแต่ละดุงจิตแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์อันนี้ก็เป็นวิปนะัสสนาเพราะฉะนั้นทุกบุคคลที่สามารถปฏิบัติสมถะได้อย่างสามฤทธิ์แล้วก็พิจัรณต่อรูปกรรมฐานโดยพิจารณารูป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 ลืมตาก็ได้คลิ้งหลับคิ้งไม่ใช่คลิ้งตื่น <c ười> คลิ้งหลับคลิ้งลืมลืมตาจะว่ายังไงลลืมตาใหม่หม่ไม่ทราบเตะว่ายังไงอาตมาแนะนาในบนทางที่สามารถหลับตาได้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 ธรรมานุป <K an> ัสสนาแล้วก็อายดนะ12บออายดนะส2องเข้าใจไหมอายดนาสิบสอหมายความว่าชักคู่菩萨อนิชักขายดนะรูปารูปารองเป็นรูปายดนะยามไม่เห็นชักสา่菩萨ถ้าไม่เห็นรูปกลับเห็นชักคู่ส萨ได้ไหม ไม่ได้รูปกลบับจักกุปสัตา์เกิดแบบรูปกลาบถ้ายังไม่เห็นรูปกลบับไม่สามารถพิจารณาเข้าใจอันไหนเป็นจักกุปสัตา์ถ้าไม่เข้าใจจักกุปสัตย์ถ้าไม่เข้าใจรูปารมก็ปฏิบัติตอายดานะ12สองไม่ได้ แล้วก u, uh, sa, ็สัตตารุโสตประสัดคือโสตยาดนาสัตตารุเป็นสัตดายตดนาแล้วก็กาณประสัดเป็นกาณายาดนาแล้วก็กลิ่นกันดารุเป็นกันดารมนะ เพราะฉะนั้นอนนี้ทั้งโหดก็เกี่ยรูปใช่ไหมรูปปรมาทัศน์ถ้ายังไม่เห็นรูปปรมาทัศ น, น์อายาณนะ12บงแนวทางปฏิบัติอยายาณนะ12ก็จะไม่เข้าใจก็ธรรมารูธรรมานุปัสสนาปฏิบัติไม่สามริตแล้วก็ทัด18ทัด18บแปได้ยินไหมทัดสิบแปด ชักคูปัสสารเป็นชักคูปาตุรูปารงเป็นรูปารดาตูชักคูวิญญาณเป็นชักคูวิญญาณาดาตุงงๆทั้งหมดใช่มั้ย <laughs> <laughs> ต้องรู้และเห็นรูปและนามทั้งหมดก็เป็นรูปและนามนี่เลย <laughs> ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผูที่สามาอธิบาย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 ตามอายาดานาสิบสองอันนี้ก็ดัมมานุปัสสนาเหมือนกันอันนี้ก็แค่รูปรู้ปรมามัดแค่พระสา ม, มาสัมพุทธเจ้าใช้คำใหม่ๆตามอัธยาสัยของผู้ปฏิบานความจริงความจริงอนุปนัาสนาสีไม่ใช่อะไรแปลกๆแค่รูเปเบลนาำ แค่รูปเล็ดนำเข้าใจไหมเข้าใจนิดหน่อยก็ดีใจเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวจะมีคำถามยาวอย่างละคะ่ะอยากให้พระอาจารย์อธิบายปฏิจจสมุติบาทคะ่ะอี๋คำถามสั้นๆแต่ตอบยาวๆนะปฏิจจสมุติบาท ยกจะได้เย็นแบบไหนเฮ้สิบสิบวิจารปัจเจ้าสังขาระส a งขาระปัจเจ้าวิญญาณวิญญาณปจจานามรูปนามรูปปจจาายนายนปจจาสุสปจจาวระวนปจจาหาตัณหาปจเจ้าุปาทานุปาทานปจจา บวบปิดใจจารดีารดปิดใจจรามรย์น่สกปริเดวว่าดขะดอมน่ะสุภายาสัสมบูรณ์ที่ครบครบแล้วนี่ปฏิจจสมาบัติแต่ในเวลาปฏิบัติกว้างขวางมากอธิบายที่นี่ไม่พอต้องมาหาครูบาอาจารย์ต้องปฏิบัติภายใต้จนถึงเข้าใจปฏิจจ ա สมาบัติอัตมาจะสม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 ข้างหลังไม่ได้ยินค่ะก่อให้พระอาจารย์พูดอีกครั้งหนึ่งหนึ่งเวลยะเวรานหนึ่งอสงไขยค่ะข้างหลังไม่ได้ยินอสงไขย์อะค่ะที cular, ่ว e ่าภาษารีบุตรพระมคคารนะต้องบำเพ็ญบารมีถึงหนึ่งอสงไขยันหนึ่ง่อสงไขยแลแสนมหากับมหากับ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 ไม่ควรเป็นสองจุดในบทสวดมนต์มีขันห้ขันมีขันหนึ่งขันมีขันสี่ขันคืออะไรกอบพระคุณค่ะห้ามีขัน้ขันมีขันหนึ่งขันมีมีขันสี่ขันคืออะไรคืออะไรขันห เข้าใจล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้โยมีขันหา่าอยู่ในภูมิที่มีขันหา่าปัญจวการภูมิแล้วก็อรูปะโพมีขันสี่ขันไม่มีรูปรูปขันก็นี้ก็จตุวการะภูมิแล้วก็อีกมีขันหนึ่งขันอสัญญา อาัญญาสคเคได้ยินไหมอาัญญาสัตตาอาัญญาสัตตาภาษาไทยจะพูดัำว่าอาศัจสัตตาอั ญ, ญ ส, สัตว์ที่ไม่มีสัญญาสัต์ที่ไม่มีนามมีแต่รู้รมีแตร่รู้เพราะฉะนั้นอันนี้เปลี่น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 ไม่มีอะไรที่ไม่ควรศึกษาในชีวิตของเราควรศึกษาเราก็ต้องเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำต่อไปอะไรคือคือสิ่งที่เราหยุดทำต่อไปเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้โยมทั้งหลายอะไรคือสิ่งที่ต้องทำต่อไปอะไรคือสิ่งที่หยุดทาต่อไปนั้นพิจารณาให้ดีๆเถอ